บทที่75ห้ลวงพ่อดำมันยากาศกลางป่าเอือ้อต่อการพบปากของภิกษุผู้ดำเนินตามมันคาอันจะนำไปสู่ความสิ้นไปแห่งทุกข์ทิศตะวันตกดวงตะวันร้อยตามลงกำลังจะรับขอบฟ้าในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าหมู่ปักษาและกาแกพากันบินกลับรัง ส่งเสียงเพรียกเรียกพวกพ้องดังอึงนี่รัติการกำลังเคลื่อนตัวช้าๆเข้ากลอบคลุมอนาบริเวณที่คนต้นว่าหลวงพ่อดำนั่งเป็นสง่าในท่าสมาธิเพชรห่างท่านออกไปอีกกึ่งว่าพระครูเจริญนั่งพับเพียบเก็บเท้ามือทั้งสองวางซ้อนกันไว้บนตักในท่าสำรวมดูหน้าเลื่อมใส ต้นว่าเป็นไม้ที่มีความสำคัญในพุทธประวัตินะหลวงพ่อดำเอ่ยขึ้นแล้วครับผมไม่เคยทราบมาก่อนทราบแต่ว่าภายใต้โคนไม้อสัตถะพระพุทธองค์ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณในเวลาต่อมาจึงเรียกต้นพระสีมหาโพอีกต้นหนึ่งที่ผมรู้จักคือต้นเกตหรือราชายตนะที่พระพุทธองค์ประทรับเสวยวิมุตติสุข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 นึกออกแล้วครับตอนนั้นพระองค์ตามเสด็จพระราชบิดาไปงานในพิธีจรดพระนางคันแรกนาควัญพระองค์ประทับอยู่ใต้ต้นว่าพวกพี่เลี้ยงก็พากันไปดูพระเจ้าสุดโททนะทรงไถนาทิ้งพระสิทธะ ก, กุมารไว้ใต้ต้นว่าจนเย็นคิดว่าพระกุมารคงถูกแดดเผาพระวรากายเสียแล้วแต่เกิดอัศจรรย์ต้นว่ายังคงทอดร่มเงา บังแดดให้กับพระกุมารเหมือนเมื่อตอนเช้าที่เป็นดังนี้เพราะอำนาจฌานสมบัติที่ทรงบำเพ็ญมาแต่ครั้งสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรใช่ไหมครับถูกแล้วเมื่อก่อนผมไม่เชื่อว่าพระเวสสันดรมีจริงคิดว่าเป็นเรื่องที่คนโบราณเล่าสืบสืบกันมาบัดนี้ผมได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องจริงและนารีผลก็มีอยู่จริงผม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 แต่ก็ยังไม่ถูกเสียทีเดียวชมพูแปลว่าต้นว่าชมพูทวีปแปลว่าดินแดนที่เต็มไปด้วยต้นว่าหรือจะแปลว่าทวีปแห่งต้นว่าก็ได้ดินแดนที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเรียกว่าชมพูทวีปเพราะเต็มไปด้วยต้นว่าปัจจุบันดินแดนแห่งนี้ที่ตั้งของประเทศต่างๆหประเทศได้แก่อินเดียเนปาลปากีสถาน อัฟกานิสถานและบังคลาเทศผมนึกออกแล้วครับสีชมพูก็คือสีของลูกว่าที่กำลังหามใช่ไหมครับสมัยเด็กๆผมชอบกินลูกว่าตอนมันสีเขียวยังกินไม่ได้พอหามจะกลายเป็นสีชมพูหากก็ยังมีรสฝาดอยู่ต้องรอให้มันเปลี่ยนจากชมพูเป็นสีม่วงและจากสีม่วงเป็นสีดํา ถึงตอนนั้นจะมีรสหวานหลวงพ่อล่ะครับเคยฉันลูกว่าหรือเปล่าเราไม่ได้ฉันเป็นอาหารมาหลายร้อยปีแล้วเรามีบาทก็จริงแต่ไม่เคยออกบินทบาดเพียงแต่เอาบาทแขวนไว้ที่กิ่งไม้พอถึงเวลาก็ปลดลงมาแล้วก็ฉันอาหารที่อยู่ในนั้นหลวงพ่อดำบอกกล่าวถ้อยคำของท่านทำให้ภิกษุวัยส5ห้า นึกถึงคำพูดของโยมอดีตผู้ใหญ่บ้านที่บอกท่านเมื่อยี่สิบปีก่อนว่าหลวงพ่อองค์นี้ท่านไม่ได้บินทบาทผมเห็นท่านเอาบาทแขวนไว้ที่กิ่งใจพอได้เวลาฉันคือประมาณก่อนเที่ยงท่านก็ปลดบาทลงมาแล้วก็นั่งฉันที่อยู่ในบาทฉันเสร็จก็ล้างบาทแล้วแขวนไว้ที่เดิมผมพยายามสังเกตว่ามีใครนาอาหารมาถวายบ้าง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 พามาหาเราแต่โยมเขาบอกว่าตอนเข้าอายุ 8-9 ้าขวบก็เห็นหลวงพ่อนั่งอยู่ที่ใต้ต้นว่าทุกปีตอนนั้นผมยังไม่เกิดนะครับผู้อ่อนวัยกว่าแยง้งเรียกว่าเรามารอเธอตั้งแต่ก่อนเกิดนั่นแหละเป็นเรื่องเหลือเชื่อใช่ไหม ก็น่าแปลกนะคนเราเวียนตายเกิดไม่รู้จักกี่พบชาติแต่บางคนกลับไม่เชื่อเรื่องพบชาติไม่เข้าใจเรื่องวัตจิติภิตเรารู้จักเธอมาก่อนที่เธอจะเกิดซิ่อกพูดอีกอย่างหนึง่งเรารู้จักเธอมานานตั้งแต่เธอเป็นแม่ทัพกรุงศรีอยุธยานั่นแหละเธอสิไม่รู้จักเราเพราะยังไม่ถึงเวลาที่เธอจะรู้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 ซึ่งเป็นสนมลับๆของกษัตริย์พระองค์หนึ่งแห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์เป็นโอรสกษัตริย์เหรอครับถูกแล้วส่วนานางนกเอี่ยงก็ไม่มีตัวตนเช่นกันเอาละวันหนึ่งเธอจะพบกับพระองค์ท่านลองทูลถามท่านดูว่าจะตรงกับที่เราพูดหรือไม่แต่อย่าลืมว่าเธอจะสื่อสารกับพระองค์ได้โดยทางจิตเท่านั้นครับ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 มันเป็นไปไม่ได้นะสิแค่เธอบอกพวกเขาว่าเราอายุเกินสามร้อยปีก็ไม่มีใครเชื่อแล้วเอาเธอให้ชาวโลกเขาจัดการกันเองเราอยู่พ้นโลกแล้วไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องครับแต่หลวงพ่อครับผมก็อยากทราบว่าแล้วหลวงพ่ออายุเท่าไหร่หลวงพ่อบอกว่าอายุเกินสามร้อยปีทำให้ผมคิดไปถึงพระ อุตระที่คนเขาเชื่อกันว่าเป็นองค์เดียวกับหลวงปู่เทพโลกอุดรหลวงพ่อคือหลวงปู่เทพอุดรใช่ไหมครับไม่มีคําตอบจากหลวงพ่อดําท่านพระครูจึงสรุปว่าถ้าหลวงพ่อคือหลวงปู่เทพโลกอุดรและหลวงปู่เทพโลกอุดรเป็นองค์เดียวกับพระอุตระที่พระเจ้าอาโศกทรงส่งมาเผยแผ่พระศาสนา ยังดินแดนสุวรรณภูมิคู่กับพระโสนะหลวงพ่อก็มีอายุเกินสองพันปีเพราะพระเจ้าอาโศกทรงส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระาศาสนาในปีพุทธศักราชสองร้อยสามสิบสี่หลวงพ่ออายุสองพันกว่าปีแล้วใช่ไหมครับอะไรทำให้เธอคิดเช่นนั้นผมมีหลักฐานครับหลักฐานอะไร พระไตรปิฎกครับในพระมหานิพพานสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่สิบพระพุทธองค์ตรัสแก่พระอ น, นุ์ว่าผู้ใดเจริญอิทธิบาทสี่ประการดีแล้วถ้าปรารถนาก็อาจจะมีอายุยืนได้ถึงกับหรือเกินกับตอนแรกที่ผมอ่านก็นึกแย้งในใจว่าเป็นไปไม่ได้หรือไม่ใช่ผมไม่เชื่อพระพุทธเจ้านะครับเพียงแต่ผมคิดว่าพระไตรปิฎก แปลกันมาผิดผิดหรือเปล่าแต่พอมาพบหลวงพอ่อผมก็มั่นใจเต็มร้อยว่าเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้จริงและไม่ได้แปลกันผิดผิดภิกษุวัย45อธิบายสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไม่มีที่ไม่จริงแต่มนุษย์บางพวกและบรรพชิตคระหัดไม่สามารถเข้าถึงพระปัญญายานของพระพุทธองค์ก็เกิดความเห็นผิดคิดเอาว่า สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ไม่จริงบ้างพระไตรปิฎกแปลกันมาผิดๆบ้างเท่ากับไม่ศรัทธาในยานตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าตถาคตโพธิศัทธาในอนาคตคนก็ยิ่งห่างไกลกับพระศาสนามากขึ้นพวกเขาจะไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไม่เชื่อนรกสวรรค์แล้วก็จะพากันก่อกรรมทําชั่วต่างๆนานาลูกจะฆ่าพ่อ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 เธอเองก็น่าจะรู้ว่าต่อไปสังคมโลกจะวุ่นวายสับสนคนดีเท่านั้นจึงจะเข้ามาหลบในร่มเงาของพระศาสนาแต่น่าเสียดายที่พระสงค์ไม่อาจจะเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้เพราะพวกเขาลดตัวลงมาแก่งแย่งแข่งขันในทางวัตถุกับผู้ครองเรือนประชาชนก็เลยเลิกนับถือพระทำให้พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ซึ่งมีจํานวนน้อยต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยเธอเองก็จะถูกพวกคนชั่วซึ่งมีทั้งบันพชิตและคฤหัดใ ส, ส่ร้ายป้ายสีแต่พวกเขาทำอะไรเธอไม่ได้เพราะเธอผ่านการอบรมเพราะเธอผ่านการอบรมกายอบรมจิตมาอย่างดีการออกทุดงในครั้งนี้จะทำให้เธอเข้าถึงประโยชน์ทั้งสองส่วนคือประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ของท่าน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 หากแต่พระองค์ก็ไม่ทรงยินดีในรัชสมบัติหรือความสุขสบายทางโลกทรงดันด้นค้นหาวิธีดับทุกข์ครั้นพบแล้วก็ทรงนำมาสั่งสอนชาวโลกผมจะดำเนินตามรอยบาทของพระพุทธองค์ครับหลวงพ่อภิกษุวัยส5้าพูดอย่างมุ่งมั่นดีแล้วเราขออนุโมทนาเธอทำได้ทุกอย่างที่พูด และจะได้รับอนิสง์ในปัจจุบันทันตาเห็นจำคำพูดของเราไว้ให้ดีว่าเธอจะต้องมรณภาพเมื่ออายุห0สิบปีแสดงว่าผมจะมีอายุยืนยาวต่อไปอีกหปีเท่านั้นเหรอครับท่านถามม่ได้ตก อ, อกตกใจแต่อย่างใดถูกแล้วเพราะบาปกรรมที่เคยทำปนาติบาตมาตั้งแต่เด็กแต่อานิสง์ที่เธอช่วยเหลือประชาชน ดังที่เราพูดมาแล้วสามารถทำให้เธอมีอายุยืนยาวต่อไปได้อีกหากก็มีข้อแม้ว่าเธอจะต้องต่ออายุทุกปีและผมจะต่อได้อีกด้วยหรือครับเรื่องนั้นเอาไว้เธอจะรู้เองเงียบกันไปครู่หนึ่งผู้อ่อนวัยกว่าก็ถามขึ้นว่าหลวงพ่อคือหลวงปู่เทพโลกอุดรและหลวงปู่เทพโลกอุดรคือพระ อุตระใช่หรือเปล่าครับเราใจไม่ตอบให้เธอไปหาคําตอบเอาเองแต่สิ่งที่เราบอกเธอก็คือเรารอเธอมานานรอมาตั้งแต่ก่อนที่เธอจะมาเป็นเธอในชาตินี้เราเองนะ่ะที่ดนใจให้เธอไปหาหลวงพ่อเดิมเพื่อเรียนวิชาคดศาสตร์เพราะถ้าไม่เรียนเธอก็ตายแน่นอนเป็นอะไรตายครับ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 หลวงพ่อเดิมท่านก็สอนผมว่าอย่ายิงโยโซเป็นมแมลงป่องผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อนมีเสื้อตัวเดียวกับมีสิบตัวอย่างไหนจะดีกว่ากันท่านพูดเสจนผมต้องยอมเรียนเพิ่งจะทราบเดี๋วนี้เองว่าหลวงพ่อดนใจให้ผมมาหาหลวงพ่อเดิมแล้วหลวงพ่อเดิมท่านรู้จักหลวงพ่อหรือเปล่าครับท่านพระครูถาม จะรู้หรือไม่รู้ไม่สําคัญเอาละ่ะเดี๋ยวเราจะบอกเธอว่าวิชาคดิศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรตอนนี้ขอให้เธอส่งน้ำเสียก่อนที่เชิงเขามีลาธารเล็กๆมีน้ำไหลไม่แรงนะักลงไปส่งน้าให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาคุยต่อยังมีอีกหลายเรื่องที่เธอจาเป็นต้องรู้และหลวงพ่อส่งน้ำหรื อ, อยังครับไม่ต้องห่วงเรา สำหรับเราจะสงหรือไม่สงก็มีค่าเท่ากันเพราะเราไม่มีอะไรจะต้องชำระล้างอีกแล้วท่านพูดเป็นปริศนา